จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใฝ่บุญใส่กุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง จงได้ใช้เวลาที่ว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจด้วยการมาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาสิงมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นเหมือนกับการให้ยาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทางด้านจิตใจคือความทุกข์ ความเศร้าหมองความเสียใจความกังวลความวุ่นวายใจต่างๆไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถระงับหรือป้องกันความทุกข์ใจได้นอกจากบุญและกุศลเท่านั้นดังนั้นการที่ท่านได้มาวัดกันอย่างสม่ำเสมอก็เป็นเหมือนกับการมารับยาเอาไปรับประทานนั่นเองเหมือนกับเราต้องไปโรงพยาบาล โดยเฉพาะท่านผู้ที่มีอายุมากแล้วจะต้องอยู่ใกล้โรงพยาบาลเสมอเพราะทางแพทย์จะต้องนัดให้ไปตรวจให้ไปรับยาเพราะเมื่อมีร่างกายร่างกายมีอายุมากแล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียนจำเป็นต้องอยู่ใกล้หมอจำเป็นจะต้องมียารับประทานเพื่อที่จะได้คอยคุ้ม คอยคุมโรคภัยต่างๆไม่ให้มันกำเลิกจนทำลายชีวิตของเราดันใดการมาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็เป็นการรับยาคือธรรมโอสถยาของขอยาของพระพุทธเจ้ายาของพระอริยสงสาวกทั้งหลาย ท่านเปรียบเหมือนกับหมอท่านเคยได้รับประโยชน์จากยาคือธรรมโอสถแล้วเมื่อท่านเห็นคุณอันวิเศษที่สามารถยกจิตใจของท่านให้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ไม่ว่าความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกาันความทุกข์ที่จะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งหลายยามไม่สามารถ เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้เลยเพราะธรรมโอสถนี้เป็นเหมือนกับเกราะคุ้มกันจิตใจไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกท่านได้พิสูจท่านได้สัมผัสธรรมโอสถที่วิเศษนี้แล้วจึงได้นำเอามาเผยแผ่ เอามาแจกใจ่ายให้กับพวกเราซึ่งยังเปรียบเหมือนกับคนไข้คนที่ยังไม่มีภูมิกุ้มกันเมื่อถูกโรคภัยอย่างใดเข้ามากระทบกับจิตใจก็จะต้องทุกข์ต้องทรมานใจแต่ถ้าได้รับการดูแลด้วยธรรมโอสถเหมือนกับการรับประทานยา หรือการฉีดยาป้องกันโรคภัยต่างๆเมื่อมียาเข้าไปในร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สามารถต่อสู้กับโรคชนิดต่างๆได้ใจของเราก็เป็นเหมือนกับร่างกายที่ต้องมีภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกันและยาที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจของเราก็คือ พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราหมั่นทําความดีให้เราละการกระทําบาปและให้ชําระกายวาจาใจให้สะอาดหมดจดด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่คือวิธี ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจแล้วต้องทําอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องไม่ใช่ปีหนึ่งจะมากันสักครั้งหนึ่งแล้วก็มาแล้วก็ไม่ได้รับยาไปครบถ้วนบริบูรณ์ส่วนใหญ่จะขอทําบุญตักบาตรถวายทานแล้วก็ขอกลับบ้านไปไม่สนใจที่จะรักษาศีลไม่สนใจที่จะภาวนาไม่สนใจที่จะ ฟังเทศฟังธรรมเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นเหมือนกับยาชนิดต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ทำทาลายนั่นเองถ้ารับประทานยาเพียงตัวเดียวคือการให้ทานก็จะไม่เพียงพอต่อการต่อต้านความทุกข์ต่างๆ จำเป็นจะต้องรับประทานยาให้ครบเหมือนกับเวลาเราเป็นหวัดเป็นไข้ไปหาหมอหมอมักจะให้ยามาอยู่สามสี่ชนิดด้วยกันถ้าเรารับยามาแล้วแต่เราเพียงรับประทานเพียงชนิดเดียวโรคก็จะไม่หายหรือถ้าหายก็ช้าก็จะต้องทรมานไปเป็นเวลา ย, ยาวนานแต่ถ้ารับประทานยาให้ครบทุกชนิด เพียงไม่กี่วันโรคไทยไข้เจ็บ ก, ก็จะหายไปฉันใดธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สงหยิบยื่นให้กับพวกเราก็เป็นเช่นนั้นธรรมะนั้นเป็นเหนือนยาที่มีอยู่หลายขนาดมีอยู่หลายชนิดด้วยกันจําเป็นที่จะต้องเอาเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราด้วยการศึกษาในเบื้องต้นคือต้องได้ยินได้ฟัง เหมือนับไปหาหมอก่อนที่จะรับประทานยาหมอก็ต้องบอกไว้ก่อนแล้วว่ายาชนิดนี้ให้รับประทานครั้งละกี่เม็ดรับประทานตอนไหนยาบางชนิดก็รับประทานตอนก่อนอาหารบางชนิดก็รับประทานหลังอาหารบางชนิดก็รับประทานวันละเม็ดบางชนิดก็ต้องรับประทานวันละสี่เวลา <c oughs> หลังอาหารเชา้ากลางวันเย็นและก่อนนอนนี่เป็นสิ่งที่เราต้องรับรู้ก่อนถ้ารับยามาแล้วไม่รู้ว่าจะรับประทานยาอย่างไรเดี๋ยวกินผิดกินถูกเข้าไปโรคภัยแทนที่จะหายกับมีภาพขึ้นมามากขึ้นเพราะแพร่ฤทธิ์ของยานั่นเองอยันในธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้ายาที่จะมารักษาโรคเราเราก็จาเป็นจะต้องทำการศึกษาเสียก่อนการศึกษาก็คือการฟังเทศฟังธรรมหรือการอ่านหนังสือธรรมะ <c oughs> นี่เป็นวิธีที่จะทำความรู้จักทาความเข้าใจว่าเราจะต้อง <c oughs> ทำอย่างไร เราถึงจะได้เอาธรรมโอสถที่วิเศษนี้เข้ามาสู่ใจของเราเมื่อถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาแล้วเรายังไม่ได้ปฏิบัติ <c oughs> หรือปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ถูกทางก็จะไม่ได้นําเอายาธรรมโอสถที่วิเศษนี้เข้ามาสู่จิตใจ เมื่อไม่ได้เข้าสู่จิตใจแล้วต่อให้ยาจะวิเศษขนาดไหนก็ตามต่อให้หมอจะวิเศษหมอจะเก่งขนาดไหนก็ตามก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับคนไข้เพราะคนไข้ไม่สามารถนำเอายานั้นเข้าไปสู่ร่างกายได้ฉันใดธรรมโอสถยารักษาใจก็เช่นเดียวกันเราต้องเอาเข้าสู่ใจ การจะเข้าสู่ใจได้ก็ต้องได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการอ่านฉลากยายาจะบอกสรรพคุณและจะบอกวิธีรับประทานและจะบอกว่าถ้าเกิดอาการแพ้ขึ้นมาควรจะทำอย่างไรฉันใดการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็เป็นเหมือนกับการศึกษาถึงสรรพคุณของธรรมโอสถและศึกษาถึงวิธีที่จะนำเอาธรรมโอสถนี้เข้าไปสู่ใจและถ้าเกิดมีปัญหาต่างๆที่เกิดจากการนำเอาธรรมโอสถเข้ามาสู่ใจก็จะได้รู้จักวิธีแก้ไข เพราะว่าธรรมโอษจนี้ก็เป็นเหมือนยาที่จำเป็นจะต้องรับประทานให้ถูกวิธีให้ถูกเวลาถึงจะเกิดประโยชน์เกิดผลที่สูงสุดถ้ารับประทานไปแบบสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าอยากจะรับประทานก็รับประทานไม่อยากรับประทานก็ไม่รับประทานหรืออยากจะให้หายเร็วๆก็รับประทานทีไปตั้งกรรมมือ อย่างนี้โรคแพนที่จะหายกับทำให้คนตายได้เพราะกินยาเกินขนาดฉันใดการปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็เป็นเช่นนั้นต้องมีความพอดีเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่เข่งจนเกินไปและไม่หย่อนจนเกินไปให้พอดีกับกำลัง ความสามารถของเราถ้าเรายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติขั้นที่สูงกว่าที่เราปฏิบัติได้เวลาเราปฏิบัติเราจะเกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะปฏิบัติเพราะปฏิบัติแล้วไม่ได้รับประโยชน์นั่นเองไม่เห็นผลนั่นเองเราต้องรู้จักกำลังของเราเหมือนกับเวลาเรายกของหนัก เราต้องรู้ว่าเรายกได้มากน้อยเพียงไรถ้าเรายกมากกว่าที่เราจะยกได้เราก็ยกไม่ไหวถ้ายกสิ่งที่มันเบากว่าที่เรายกได้มันก็จะเสียเวลายกได้ทีละเล็กทีน้อยแทนที่จะยกได้มากๆเรากลับไปยกทีละเล็กทีละน้อยงานก็เลยไม่คืบหน้า การดําเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเราต้องดูความสามารถของเราว่าเราสามารถทำอะไรได้มากน้อยเพียงไรแล้วก็พยายามทําไปตามความสามารถของเราก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับเราเคยยกน้ําหนักได้ประมาณ20กิโลกรัม เราก็ขยับขึ้นไปเป็น22 24 26ค่อยๆขยับขึ้นไปเทียและเทียน้อยแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราก็หยุดก่อนพยายามรักษาน้ำหนักที่เราสามารถจะยกไว้ได้แล้วเมื่อร่างกายได้มีเวลาพักผ่อนแล้วมีกำลังวางชาต่อไปก็จะยกเพิ่มขึ้นไปได้มากเรื่อยๆ ต่อไปอาจจะยกถึงร้อยกิโลกรัมก็ได้แต่เวลาเริ่มต้นถ้าเราคิดว่าเราต้องยกทีเดียวร้อยกิโลกรัมเราก็คงบอกว่าไม่ไหวแน่ๆถ้าไม่ไหวก็ไม่อยากที่จะยกเลยไม่อยากที่จะฝึกเลยอย่างนี้เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาร่างกายของเราให้แข็งแรงให้สามารถยกน้ําหนักถึงร้อยกิโลกรัมได้แต่ถ้าเรา ค่อยๆทาจากกำลังที่เรามีอยู่เรามีกำลังวังชามากน้อยเพียงไรยกได้มากน้อยเพียงไรเราก็ยกไปแค่นั้นก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปศีลโลสองโดแล้วมันจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะสามารถยกได้ถึงร้อยกิโลถ้าคนอื่นเขายกได้เราก็ยกได้เหมือนกัน ขั้นใดการปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นเช่นกันเป็นขั้นเป็นตอนไปตั้งแต่อนุบาล จ, จนถึงขั้นปริญญาเอกเราต้องขยับขึ้นไปตามแต่ละขั้นที่เราสามารถทําได้ไม่ใช่พอเห็นเขาว่าเห็นเขาบอกว่าเรียนโรงเรียนนี้จะต้องเรียนให้จบปริญญาเอก เรายังไม่ทันเริ่มต้นเลยเพอคิดถึงปริญญาเอกเราก็บอกว่าไม่ไหวแล้วจะเรียนยังไงไหวแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ให้ไปเรียนปริญญาเอกตอนต้นก็ให้ไปเรียนอนุบาลก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นปถมขึ้นมัธยมขึ้นมหาวิทยาลัย ไ, ไปแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีก่อนแล้วค่อยเรียนต่อโทแล้วในที่สุดก็จะ ค่อยเรียนปริญญาเอกได้สันใดาการบำเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่ใช่จะให้ออกบวชกันทุกคนเลยให้สละทุกสิ่งทุกอย่างสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็มาถือสีลสองอยี่สิบเจ็ดข้อ <c oughs> ถือถือทุดงกวัดรับประทานอาหารวันละหนึ่งมื้ออย่างนี้ไม่ใช่เป็นในฐานะที่คนทุกคนจะสามารถทำกันได้เพราะเราแต่ละคนนั้นได้ศึกษาได้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนมามากน้อยต่างกันในแต่ละพบในแต่ละชาติเหมือนกับเรียนหนังสือแต่ละคนก็ ได้เรียนหนังสือผ่านมามากน้อยต่างกันบางคนก็เรียนจบแค่มัธยมบางคนจบแค่ปถมบางคนจบแค่ปริญญาตรีเวลาไปเรียนต่อก็ต่างกันคนที่จบปถมแล้วก็ไปเรียนชั้นมัธยมต่อคนที่จบมัธยมก็ไปเรียนชั้นมหาวิทยาลัยจบปริญญาตรีก็ไปเรียนปริญญาโท เป็นญาโทรก็ไปต่อเป็นมันยาเองเป็นไปตามขั้นขนัตามความสามารถของแต่ละคนดังนั้นคนที่เกิดมาในชาตินี้จึงมีความแตกต่างกันบางคนทําได้เพียงแต่ทําบุญให้ทานเท่านั้นยังไม่สามารถรักษาศีลได้บางคนก็ทําได้ทั้งทานและรักษาศีลควบคู่กันไปด้วย แต่รักษาได้เพียงศีลห้าท่นั้นบางคนก็รักษาได้ทั้งศีลห้าและศีลแปดเช่นวันธรรมดาก็รักษาศีลห้าวันพระก็รักษาศีลแปดบางคนก็สามารถรักษาศีลแปดได้ตลอดเวลาบางคนก็สามารถออกบวชได้เลยไม่ต้องอยู่บ้านต่อไปบางคนสามารถนั่งสมาธิเป็น ชั่วโมงชั่วโมงปฏิบัติธรรมเดินจงกรมได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงคือวันทั้งวันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากนั่งสมาธิกับเดินจงกรมทําจิตใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาสอนจิตใจให้รู้ความเป็นจริงของชีวิตว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องมีการพัาทายจากกันเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้อง เจอกับสิ่งต่างๆที่ไม่ปรารถนากันเป็นธรรมดาเพราะนี่คือชีวิตเป็นอย่างนี้ถ้าใจรู้ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วเวลาเกิดการทัดทาจากกันเวลาเกิดการเผชิญกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาใจจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนเพราะสามารถทำใจให้นิ่งเฉยได้ เพราะรู้เรื่องหน้าไว้แล้วว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาจึงเตรียมตัวเตรียมใจไว้เมื่อเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเรายัางเตียบตัวยังทำใจไม่ได้ ท, ทั้งทั้งที่รู้ว่าต้องจากกัน ท, ทั้งทั้งที่รู้ว่าจะต้องเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยฝึกทำใจของเราให้นิ่งให้สงบ ให้วางเฉยเราก็ต้องมาฝึกทำสมาธิกันหัดไหว้พระสวดมนต์ไปก่อนในเริ่มต้นไหว้สวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ข้อสำคัญขอให้มีสติรู้อยู่กับการสวดมนต์สวดไปนานๆสวดสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึง่งแล้วใจจะได้นิ่งเฉยวางเฉยได้ใจจะมีกําลัง ที่จะทำใจได้ถ้ายังไม่ได้ทำใจให้นิ่งให้เฉยได้เวลาที่เราไปเจอกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเวลาที่เราล่มสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราจะทำใจไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่ว่ามันเป็นธรรมดารู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว ดูกำลังจะเกิดก็หักห้ามจิตใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจได้เพราะไม่ได้ทำใจไม่ได้ฝึกจะทำใจให้นิ่งให้วางเฉยมีแต่ปล่อยให้ใจขวัคว้าไปตามสิ่งต่างๆที่ตนเองต้องการอยู่เรื่อยๆพอไม่ต้องการสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำอย่างไร หนีไปทางไหนก็หนีไม่พ้นเพราะมันฝังอยู่ในใจเรื่องราวต่างๆถึงแม้มันจะเกิดขึ้นไปแล้วแต่มันก็ยังติดใจฝังใจอยู่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้อยู่เพราะไม่รู้จักหยุดมันไม่รู้จักหยุดคิดถึงเรื่องราวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับตนยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ ทั้งๆ ท, ที่ไม่อยากจะคิดแต่ก็ห้ามไม่ให้คิดไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกไม่เคยหัดทำใจให้นิ่งให้หยุดไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆนั่นเองดังนั้นการฝึกทมสมาธิจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามไปอย่าไปคิดว่ามีปัญญารู้แล้วจะสามารถทำใจได้ ขณะนี้เราทำใจได้ว่าโอ้ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากกันต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแต่พอถึงเวลามันเกิดขึ้นจริงๆยังจะทำใจแบบสบายๆแบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็สบายไปแต่ถ้าทำไม่ได้แล้วก็ลำบากจะทุกข์มากดังนั้นจึงควรหัด ทำสมาธิให้มากๆให้สามารถควบคุมใจให้นิ่งเฉยได้ถ้าไม่อยากจะคิดเรื่องอะไรก็สามารถระ ง, งับดับความคิดนั้นได้ด้วยวิธีการง่ายๆก็คือสวดมนต์ไปก็ได้เช่นมีเรื่องอะไรมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราแทนที่จะไปคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆเราก็หันมาสวดมนต์ไปเรื่อยๆแทน พอสวดมนตไปเรื่อย เ, เ, เ, เรื่องที่สร้างความวุ่นวายใจก็จะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจได้เมื่อไม่เข้ามาสู่ใจมันก็จะไม่บรบกวนใจไม่สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราถึงแม้เรื่องมันจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นเรื่องภายนอกของใจใจไม่ได้รับมันเข้ามาเหมือนกับเราอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ถึงแม้ข้างนอกจะร้อนขนาดไหนก็ตามความร้อนก็ไม่สามารถเข้ามาสู่ภายในห้องได้ในภายในห้องจะมีแต่ความเย็นสบายใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำสมาธิเป็นทำใจให้สงบเป็นก็เป็นเหมือนกับติดเครื่องปรับอากาศให้กับใจของเรา <c oughs> จะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆ จะร้อนแรงขนาดไหนจะรุนแรงขนาดไหนก็อยู่ภายนอกจะไม่เข้ามาสู่ภายในใจอย่างมากเหตุการณ์ต่างๆจะทําได้ก็คือทําลายทรัพย์สินสมบัติเข้าวของต่างๆหรือชีวิตของคนต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราเองหรือชีวิตของคนที่เรารักแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถ เข้ามาทำลายความสุขในใจได้เลยถ้าจิตใจมีสมาธิมีความมั่นคงอยู่ในความสงบ ต, ต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นมากับใครก็ตามกับเราก็ดีกับคนอื่นก็ดีกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็ดีก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปได้อย่างสบายใจในเมื่อเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้ว เราจะไปเดือดร้อนไปวุ่นวายใจไปทำไมให้เกิดไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเสียของแล้วเสียคนแล้วอย่าไปเสียใจอย่าไปเจ็บเนื้อเจ็บใจเพราะเราสามารถรักษาใจไม่ให้เจ็บไม่ให้เสียใจได้ด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกทมสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วก็เจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆเยตือน สอนตนอยู่เรื่อยๆว่าสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องจบทุกสิ่งทุกอย่างต้องหมดไปไม่มีอะไรที่จะเป็นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั้นไม่มีมีอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็คือพระนิพพานหรือการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่สองทางถ้าไปทางธรรมะก็จะไปสู่พระนิพพาน เป็นความสุขตลอดอนรรมนตการไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีแต่ความสุขไปตลอดและไม่มีการสิ้นสุดหรือจะไปทางโลกอย่างที่พวกเราไปกันอยู่ในขณะนี้เราก็ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้จักจบจากทึ่นไปสู่ความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดแ ก, ก่เจ็บตาย เกิดจากการคัดภาคจากกันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันเป็นความทุกข์ที่พวกเราได้ผ่านมาแล้ว น, นับไม่ถ้วนและจะเป็นความทุกข์ต่อไปแบบนับไม่ถ้วนแบบไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงต้องเลือกทางเดินว่าเราจะไปทางไหนไปสู่ทางแห่งความสุขตลอดอนันตการ หรือไปสู่ความทุกข์ตลอดอนันตกาลก็เป็นทางเลือกของเราเราต้องเป็นผู้ตัดสินใจถ้าเราต้องการความสุขตลอดอนันตกาลเราก็ต้องไปทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายดำเนินไปกันท่านมาสอนเราชี้ทางให้กับเราเขียนแผนที่ให้เรา บอกเลยว่าวิธีที่จะไปถึงทางนี้ไปอย่างไรเรามีทางเลือกแล้วไม่เหมือนกับคนบางคนที่ไม่รู้จักพระศาสนาไม่เคยเจอพระพุทธศาสนารู้เจอแต่ก็ไม่เข้าใจว่าศาสนามีไว้ทำไหมคนพวกนี้ก็เป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีแผนที่ไม่มีคนชี้ทาง ก็เป็นคนที่ด้โอกาสสู้พวกเราไม่ได้ที่ได้เจอแผนที่ได้เจอคนที่ทางแล้วตอนนี้ก็อยู่ตรงที่ว่าเราจะเดินไปตามทางนั้นได้มากน้อยเพียงไรหรือว่าเรายังมีความรักยังมีความยินดีกับทางโลกอยู่ทางแห่งความทุกข์อยู่เราก็ ยังไม่กล้ามาทางนี้กันเพราะเรายังรักกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นก่อนที่จะได้รับความทุกข์ส่วนใหญ่แล้วความสุขที่เราได้รับนั้นมันเมื่อมันหายไปหรือเมื่อความทุกข์มันตามมาความสุขนั้นที่เราไม่มีความหมายต่อไปเช่นเรารักใครสักคนหนึ่งมากๆแล้วเกิดเขาต้องจากเราไป ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเราจะสูญเสียความสุขที่ได้รับจากการรักคนนั้นแล้วจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจตามมาถ้าเราไม่เคยฝึกทำใจเลยดีไม่ดีเราอาจจะไม่สามารถทนอยู่ต่อไปเราอาจจะต้องทาลายชีวิตของเราไปเพราะทนอยู่ไม่ได้กับสภาพ ของความทุกข์ใจความว้าเหวี่ยใจนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องคานึงเราต้องพิพิจารณาอยู่ได้เรื่อยแล้วสร้างภูมิคุมค้มกันเริ่มขึ้นเริ่มตั้งแต่การทําบุญให้ทานเพราะเมื่อเราทําบุญให้ทานแล้วก็จะทําให้เราเข้าสู่การรักษาศีลต่อไปเมื่อเรารักษาศีลได้แล้วเราก็จะอยากจะทํา จิตใจให้สงบทำสมาธิเพราะเราเห็นคุณค่าของความสงบที่เกิดจากการรักษาศีิงที่เกิดจากการทำบุญให้ทานว่าเป็นความสุขที่แท้จริงและอยากจะได้มากเพิ่มขึ้นไปก็จาเป็นจะต้องทำทวนานั่งทำสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเพราะจะเป็นวิธีที่จะสร้างความสงบ ให้กับจิตใจได้เต็มที่ครบร้อยเปอร์เซ็นแต่เราต้องเริ่มต้นจากชั้นระถมขึ้นมาก่อนทำบุญให้ทางอยู่เรื่อยๆอย่าเสียดายมันเสียดายทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่ไม่มีความจำเป็นกับเราเอามาทำบุญทําทานกันแล้วก็พยายามรักษาศีลกันไม่ว่าเราจะทำอะไรก็อย่าไปเบียดเบียน อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเพราะเมื่อเราสร้างแล้วมันก็จะย้อนกลับมาหาเรามันเหมือนเงาหรือเป็นเหมือนกระจก ท, ะ ท, ที่สะท้อนการกระทาของเราเวลาเรายืนที่หน้ากระจกเวลาเราทำหน้าบึ่งตึงกระจกมันก็ทำหน้าบึ่อตึงเวลาเรายิ้มกระจกมันก็ยิ้มคนที่ยิ้อยู่ในกระจกมันก็ยิ้มฉันใดถ้าเราไม่เบียดเปียง เราไม่สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นทุกนั้นก็จะไม่กลับมาหาเราเมื่อไม่มีทุกข์เข้ามาที่เกิดจากการกระทําบาปการกระทําผิดศีลผิดธรรมใจเราก็สงบใจเราก็สบายก็ทําให้เราทําสมาธิได้ง่ายขึ้นเวลานั่งทําสมาธิจะง่ายกว่าคนที่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากการทําผิดศีลผิดธรรม เมื่อเราได้ทำจิตให้สงบแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะทำใจที่จะตรงอนิจจ์ทุกขงังอนัตตาได้พร้อมที่จะรับกับสภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียหรือกา ร, รเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เลวร้วายขนาดไหนตาเราจะสามารถรเผชิญกับมันได้อย่างสบายอย่างเย็นอย่างสุขเหมือนกับเรามีเครื่องปรับอากาศ อยู่ในใจของเราข้างนอกจะวุ่นวายจะร้อนขนาดไหนก็จะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจของเราได้ใจของเราจะเย็นจะสบายนี่คืออนิสงค์ของธรรมโอสถที่พวกเราได้มารับกันในวันนี้เรามารับยาธรรมโอสถกันไปก็นำเอาไปรับประทานกัน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำแล้วความทุกข์ต่างๆทั้งหลายก็จะค่อยหมดไปความทุกข์ต่างๆก็จะห่างไกลจากใจของเราไปจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยนี่คืออนิสง์ของธรรมโอสถของการรับประทานยาของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตัดถาคตทั้งหลาย จึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมั่นในยานี้และนําไปรับประทานอย่างสม่ําเสมอด้วยการมาวัดอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งหนึ่งหรือถ้ามากกว่ น, นั้นได้ยิ่งดีถ้ามาอยู่วัดมาอยู่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดกันได้ก็ยิ่งดีหรือถ้าจะบวชได้ก็ยิ่งดีใหญ่ นี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถขยับกันขึ้นไปได้จากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงถ้ามีความพยายามแล้วความสำเร็จย่อมเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องการมารับยาธรรมโอสถอย่างสม่าเสมอให้ท่านไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ศึกที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลายิ่งขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอองค์พระศีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านแขล้วลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการธ์ธ